เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยบนว่าเขาสูงผูกเพปสกนครรัาท่านอยากทราบเรื่องราวนี้ชัดเจนท่านเอาเทปสีโคตบูลสองม้วนไปเปิดท่านจะได้ข้อมูลที่ละเอียดเแล พระพุทธเจ้ามาตรงนี้เหยียบรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิรนปา่าสองฟากฝั่งโค้งหลังอย่างนั้นเสร็จขึ้นมาที่พระาธาตภูเพชรพระมหากระสปะตามมาหันได้กล่าวเอาไว้ในตำนานอุรังคณิฐานว่าดูกรกระสปะเป็นประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายในพตระตะกับนี้กุกุสันทาโกนาคามานะณะถึงกระสปะและเราผู้โคตรมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชมตรงนี้ และเมื่อดับพันบรินิพานแล้วจะต้องเอากระดูกล้ออกของเรามาไว้ที่ภูกระหาตรงนี้เพราะอะไรและท่านก็บอกว่าดูกรักสสปะบริเวณสองฝ่าฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนบอกง่ายๆว่าบอเป็นคนขี่หุ่สามารถสองฝ่กฝั่งแม่น้ำนี้นั้น จะเป็นดินแดนกลุ่มชนผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาธิษฐิจะมารักษาพุทธศาสนารุ่งโรยโชตนาการถึงห้าพันปีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เลยมาเลือกตรงนี้หลังจากนั้นท่านปรินิพานแล้วแปดปีพระธาตุพนมเกิดขึ้นแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเราเราเรียนกันนั่นเราได้เขียนในจารึกเรื่องนี้เทิดทูนกันไว้สักแค่ไหนทั้งหมดนี้ บริเวณสองฟากฝั่งน้ําจึงมีชื่อจากคําว่าชาวามาเป็นพันนมเมื่อย้ายจากนกครหลวงบางมาที่นี่จากพันนมเมื่อพุทธเจ้ามาเหยียบรอยพระบาทเมื่อเอาอุรังคธาตุมาบรรจุไว้มีชื่อใหม่ว่าสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองเจริญโคตมะแปลว่าชื่อเป็นชื่อของพระสมณะโคดมคือพุทธเจ้า ปุระแปลว่าเมืองเป็นภาษาบาลีสีโคตมักปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญสงบร่มเย็นด้วยอํานาจแห่งธรรมพระสมณโคดมแต่เสร็จแล้วคนพวกเราเนี่ยอีสานเราเนี่ยสองฟากสั่งผู้อะไรพูดเร็วๆตามหลักภาษ า, าศาสตร์ในการสมัครคำพูดสีโคตะมักปุระก็เลยเป็นสีโค ต, ตะบูนสีโคตะบูน ไม่่สีโครตรพระตะบองตรงนี้นะมันเป็นคําพูดที่เก่ามากสีโครตรบูรณ์อาณาจักรที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอํานาจแห่งธรรมของพระสมนะขอดมพวกเราพูดอะไรสั้นๆคนสมัยใหม่ไม่รู้คนสมัยเก่าอย่างเอาบุญแจกข้าวอย่างเอาบุญเขาสาเขาประดับดินเราเรียกว่าสองข่าวแจกเอาหนังสื้อมาเทศสองข่าวแจกสองข่าวประดับดินสองขาาอ่าวสาแมงหยังสองจัก ความจริงสองมันจะคาว่าฉลองฉลองฉลองววัยเลยสองเข้าสากมันจะคําว่าข้าฉลองเจ้าหัวมันจะคําว่าเจ้าอยู่หัวชัวน้อยมันจะคําว่าเจ้าอยู่หัวน้อยววัยเลยเจ้าหัวชัวน้อยไปเลยนั่นสีโคตมักปุระก็เลยเป็นสีโคตะบูนเป็นอันว่าบริเวณนี้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาตลอดแต่เสร็จแล้วเป็นไงเมื่อ ประเทศไทยเป็นประเทศไทยเอาเมื่อเป็นรัตนโกโสินงมาก็ดีเมื่อเป็นอยุธยาก็ดีเมื่อเป็นสุขโขทัยก็ดีเราก็จะเห็นในสุขโขทัยนั้นหลักจาลึกศิลาจารึกก็บอกอย่างหลักที่หนึ่งด้านที่สองว่าเมืองสุขโขทัยธทา น, นีนี่พ่อคุณลามคำแหงมาหาราชเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองพร้อมออด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนั่ง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฝุงนวยมีสธานในพระพุทธศาสนามักจําศีลมักทรงศีลมักโอยทาจนจําศีลกันในหน้าจําพรรษาการจนหมดหน้ากระถินแล้วจึงเสร็จนั่นจะลึกถึงความเจริญทางจิตใจอยู่และยังบอกว่าเบื้องที่ตะวันตกของเมืองสุขโขทัยธานีนี่มีอาลันยิปป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฌานตีดกไปหลวกทั้งหมดลูกจากคนครศรีธรรมราชมา ลัศษีราจะลึกระบองบอกถึงความเจริญทางจิตใจพ่อเมืองถึงคนหนุ่มคนสาวไปจำาสินกันต่อมาถึงอายุทยาอายุทยานิรู้สึกจน้นมาทางวัตถุมากศาลาอนเนกสร้างแสนสางทำมาตรูงใจเบื้องสู่ฟ้าศาลาอนเนกสร้างแสนสาวโดยสิ่งบางทีก็อายุทยายอดยิ่งฟ้าลงดินสะเตดีระองอินปาสารคางในพาทอง และเมนือนอกสมคือเจอดีย์ใหญ่ๆแล้วคาห้่มด้วยของในเมนือนอกสมอย่างนี้และยังศาลาอเนกสร้างแฝงเสาทรมากจูงใจเมืองโซฟาอย่างนี้สนสแสด ง, อ, ง, ส อ, งสออกถึงความเจริญทางวัตถุมากในอยุธยาพอถูกเผาถูกไหมล้มละลายมาถึงกรุงเทพกรุงเทพก็ยังเม น, นตามหลักอยุธยาในการสร้างวัตถุ อายุธยายดยิ่งฟ้าลงดินยดล้มแล้วลอยสวรรค์ลงลึกสิงหาปางระัตะนะบัณเจดิดราอย่างนี้เมื่อครับอยุธยาล้มล้มลงมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นรัตะนะโกสินทร์ก็เม้นไปทางวัตถุอีกเหมือนกันนี่เราจะเห็นวรรณกรรมต่างๆทางภาคกลางทางอยุทยาทางสุขโข ท, ทัยเอาทีนี้มาดูอีสานของเราอีสานของเราเมื่อก่อนยังไม่ได้ไปขึ้นตรงโน้นเรายังเป็นอาณาจักรล้านช้างสองฝ้าฝั่งนู้เราขึ้นกัประเทศลาวโน่นนะ ในตรงนี้เราจะเห็นได้จากวรรณกรรมปู่สอนหลานอินทยานสอนโลกกาพระมูนีการส่วยแล้วก็นังสือพวกลำเพื่เมืองของบูหานอย่างรองบูหานนั่นคือโปลิ t ิก s s c i แอ c ระบบการเมืองการบริหารประเทศชาติอันมพุทธสารลำํำถูกสำค่สอนให้ทานปีปองเหมือนห่างห้างพ่าพื้นเส้นหน้าเหนา่ามีขุนภูประเสริฐให้ทานเลือกครูแก้วปุนไหวดังลํา อมบาดหน่อยเอาไวแอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางางงามละว่างใบองค์ซั์ไหเป็นจอมยังหยอดแลดูแฝงฝนฝนหล่อนลมท่านงหดแส่งต่รบพอดแดนใดซุ่มขะหนาซัดชอบเชิดหุ่มเต่าหนีเป็นหยาดพัดแผลท่ำเนื้มปุ่นเปียบกันเป็นหากบอมั่นสิผ้าตนตุ่มตายไายน่องเอ้ยคำนี้ฟังถูกไหมรวมเส้นคมมาเป็นอันเดียวเหมือนแตงม่วงตันี้โพธิสาร ล, ล่ำทุกสามคำสอนพอคุ้นจังหากห้างพ่ายขึ้น ทันี่ลำต้นให้หานเลือกภูแก้วกุ่นไหวดังล่ํากองกําลังทหารมั่นคงเหมือนลำต้นหลังจากนั้นอํามาตย์หน่อยเอาไว้แอบตามตาปุน่นนังเป็นสาขางานาง่ามระวังไว้กิ่งก้านของต้นไม้เหมือนข้าราชการตามกระซวงทบวงกลมต่างๆเป็นหูเป็นตาแทนพระราชาองค์กระซัพไห่เป็นจอมยิ่งหยอดแร่ดูแพร่ฝนผลหล่นลุมทึ่งหอดแพรฝ่องตะลบหอดแดนใดซุ้มกันหน้าสักชอบเสื้อห่มเต่า มีปัญญ า, าทาถะทํานิยมกุญเปียบขั้นเป็นหาก บ, บอมันสิผ้าต้นตรู่มตายกินกา้านเป็นพวกข้าราชการยอดเป็นราชาใบลูกดอกหมากเป็นประชาชนทั้งหลายทีนี้มันสำคัญรากมันสังโคขุน<ฆ>จังหากข้างพายพื้นนี่พ้าสองอกเจ้าเหลืองๆเป็นรากของต้นไม้ ด, ดูเอาน้ำเอาปุ๋ยน้ำปุำ๋ ย, ค, ยคือทรรมคือวิ่งไ เอามาลึงลำต้นกิ่งก้านดอกไปเนี่ยท้าแท่ทําเนียมปูนเปียบหากบอมันสิผ้าตนตุงมตายขันหากว่าเป็นกระซัตร์ขึ้นมาบาดเนี่ยหมายถึงพระสองฆอง์เจา้าบอเอาไหนไม่มีความรู้ไม่มีความสา ม, มารถไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติทาหักเน่าหากตายฝนจะฉําน้ำจะโชคใสปุ๋ยยูเรียใสปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วายหาปรรดตายหากักบอมันผ้าตนตุมตาย อาตมาว่าเอ้แมนอิริบอคนโบราณ ก, ก็บอกดีแท้ที่วัดอาตมาเนี่ใครไปก็จะเห็นเป็นโคกแต่ทําไมาเดี๋ยวนี้มันเฉียวพัฒนาฮะไปดูเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นเป็นหลุมยังไงพระเนเนี่พากันขุดต้องอบับาจิตีทีี่สูขุดเองก็ดีใช้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องฟาจิตีไม่แต่ผู้ใดก็ต้องคือกันขุดเองมันเสลยฟาจิตีซื้อๆว่ได้กินพระจะไปกินไผย่ยอมเพื่อพัฒนาขุดดินขุดเอาหินแฮออก ใหบ่นับถือเสริมเสริมอายาเพระมันเราจะทำให้มันดีให้มันเขียวให้มันงามเอาขี้หินออกไปเอาดินดีๆมาใส่เอาต้นไม้มาปลูกต้นตะเคียนมันบ่ถือกันห อ, อกกระโขกฮอดหน้าบาดเนี่ยหักมันไปได้ได้ดวอรนี้ยหักมันพัฒนาลายเดี๋ยวนี้ง่ามเขียวปัน่นยังเห็นโบราะถ้าหากมันดีร่าต้นเอียงง่งามเบิดคนโบราณในอีสานเนี่ยเมื่อกี้เราไล่มาตั้งแต่สุโขทัยอยุธ ย, ยา มานถึงรูง้ตัตนโกสินยังเน้นกันทางวัตถุสุขโขทัยยางเน้นกันทางธรรมอยพอทางอีสานนี่เกือบไม่มีทางวัตถุเลยเน้นไปที่ทางธรรมในการพัฒนาจิตใจหลังจากนั้นเราดูในหนังสือเก่าๆของเราเราก็จะได้พบเอกอย่างสถาบันทั้งสามเนี่ยเปรียบพุทศาสนากด็ดีชาติกด็ดีสถาบันมหาวิสสากด็ดีเขียนไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นคําว่าชาตินั้นกุณเปียบใดคือดังชิมกาย ศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบย่างดำลงไหวมหากษัตระสัดปนปานให้สายไงเสศนประสาทสามารถขึ่นแผ่สารประสานไหวทั่วชี้นคนบวมีศาสตร์เปรียบได้โดยดังตีมือกุดคันบวมีศาสนาขึ้นจังหัวศีลกุนคือจังตาลตายด่วนวุง้งโทนเหตุโจนทนหา่าบลเลือเครือบ่อเกี่ยวจูนแด่ตั้งแต่ลําพอจะฟังถูกนะไม่ตรงแตก ถ้าไม่มีหัวใจมันก็ตายหัวใจหยุดเต้นอ้วนแค่ไหนก็นตามมีอยู่ดีกินดีแค่ไหนมันก็ตายแต่ประสาทยังทำงานแต่มันไม่สมประกอบปั้มปั้ ม, ปมเปอรเ ป, เป r. ก็ไม่มีประสิท ธ, ธิภาพถึงแม้ไม่ตายผู้ศาสนาคือจังหมากหัวใจให้เฉียบยั่งดำลงไปถ้าหัวใจหยุดเต้นประเทศนี้บ้านนี้ก็ล้มละลายเหมือนกันคือศาสนาหมดบทบาทในสังคม ประชาชนก็ดีข้าราชาการทั้งหลายก็ดีมองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาเมื่อ น, นั้นอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเหตุ น, นั้นพุทธสมาคมที่รวมตัวกันขึ้นนั้นสแสดงออกถึงความเป็นผู้มองเห็นคุณค่าของศาสนาต้องการจะนําหลักทำทางพุทธศาสนามาดําเนินชีวิตและช่วยกันจันหลงสันร้างพุทธศาสนาเราจะเห็นได้อย่างนี้ในภาคอีสานเราและหลังจากนั้นก็สะท้อนภาพของสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขออกมาให้เราเห็นว่าขั้นจะไปบ้านไต้ขอฝางของเกือ ท่านจะไปบ่านเลือ้อโคฝากโคเข็มข้าแม่เจ้าอยู่บ่านโคฝากจังหันพร้อมนั่งของผ้าเท่นแกมูสังโคจองเข้เาขหากเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันง่ามขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงผ้ากันไดดง่ามเม่อม้อละนั่งมวยโฮมกันเมียนคาทรงสวยสุมจุดพร้อมสะการหิ่งทรงเถึงไอ้หน่องเอ้ยแม้นที่สุกหักหิ่เข้าหากแม่นน้ำคนแม่นซื้อรวยหรือจนอกระเพิงผ้ากันไดด เคอจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้อยู่เย็นเมนสิทุกหากหินกับพ่อได้อยู่นั่งกันคนมีศิลธรรมหากอยู่นั่งกันใดคนบ้านพีรี่บ้านหนองปองดองหักแกนถึงง่ามถูกหากแขนเข้าว่านเอินซอยกันเห็นไะมนี่คือสังคมในอดีตคือความเป็นอยู่ด้วยกันด้วยศิลทุ่ยธรรมสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเอาลราที่นี่มาถึงสมัยปัจจุบันที่เรากำลังมองถึงสถานการณ์ของผู้สาปสนายยุค ป, ปัจจุบัน พอถึงยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งฝรั่งยกคเริ่มออกมาล่าอาานิคมประเทศต่างๆทางตะวันตกของเราพามา่าศรีลังกาอินเดียขึ้นไปเสนอึงภูบาลภูฐานเนปาลที่เบตไปจนถึงปากีสถานไปนุ่นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทางตะวันออกของเราลาวเวียดนามเขมรเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสประเทศไทยเล็กๆอยู่ตรงนี้ ไม่เป็นเมืองขึ้นที่ไม่เป็นเมืองขึ้นนั้นเราอาศัยพุท ธ, ธาศาสนาเป็นส่วนช่วยได้มากเลยในในสมัยที่พวกฝรั่งล่าอาณานิผมต้องนี่จะเป็นจุดแยกเชิยฟังให้ดีท่านที่เป็นอ่าปัญญาชนท่านจะเห็นว่าจุดแยกมันอยู่ตรงนี้เมื่อฝรั่งล่าอาณานิผมเนี่ยประเทศไทยก็ได้มาปรึกษากันในยุครัชกาลที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาเนี่ยเราจะมาหันหน้ามาปรึกษาว่าทํำยังไงบ้านเราเมืองเราจรึงจะไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง เลยไปชมกันว่ามีอยู่สามวิธีหนึ่งสร้างกองทัพเราให้เบี่ยงไกลที่สุดลบกับมันไม่ต้องกลัวสองมีวิธีหนึ่งดําเนินการทางการทูตให้มันทันลูกหันคนสามจัดระบบสังคมของเราการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆให้มันเคียงบ่าเคียงไหลกับฝรั่งถ้าสามอันนี้เราเลือกเอาอันใดอันหนึ่งเราใช้ได้เราก็มาเลือกเลือก จะเอากองกำลังไปยันกับพวกฝรั่งไม่ได้เขาเก่งทางเทคโนโลยีเขามีปืนผานหน้าไม้ดีกว่าเ้าก็เลยเลือกเอาสองอันหนึ่งดำเนินการทูตอย่างหันลูกทันคนไปเจริญสัมพันธไมตรีครบทั้งอังกฤษครบทั้งฝรั่งเศสครบทั้งโปรตุเกสที่มีอํานาจเดี๋ยวมันจะคบเสืไว้ขู่สิงฝรั่งเศสจะเอาย่านอังกฤษอังกฤษจะเอาย่านฝรั่งเศสมันจะต้องตีกันให้มันยากกันเหงุดเคยใช้ระบบที่ความฉลาดอันหนึ่งแล้วอีกอันที่สาม เราเลือกตัวสุดท้ายกับตัวที่สองอันที่สามจัดระบบสังคมให้ทันฝรั่งทันฝรั่งยังไงรวบอำนาจจากศูนย์จากศูนย์มมกลางรวบอำนาจจากทุั่วไปเข้าสู่ศูนย์กลางจังหวัดสกลนครแต่ก่อนไม่เรืขึ้นกับกรุงเทนงพนความประนมุนต่างกับปกครองกันเองอย่างนี้ปีหนึงก็เอาสวยเอาอะไรไปถวายดอกไม้เงินดอกไม้คำไปกรุงเทพนะสวามิภักดิ์นะแต่แล้วก็ปกครองกันเองอยากเห็ุจังไนกไ็เหตุพวกนีเหตุบุรีก็ฆ่านั่นเอง ไม่ต้องมีส่วนร่วมกับทางกรุงเทพในการปกครองแต่ช่วงนี้เริ่มจัดระบบการปกครองเรียกว่ารวบอํานาจให้ไปขึ้นต่อตรงศูนย์กลางเซนตันออตเิสีอํานาจจากศูนย์กลางยึดเมืองนั้นเมืองนี้ทั้งหมดไปขึ้นต่อกรุงเทพแล้วส่งเจ้าเมืองจากกรุงเทพมาปกครองเป็นเฮสาธิบ้านผู้นึ่งผู้นี้เจ้าเมืองสกลนครเจ้าเมืองนครพนมเจ้าเมืองอุบลสัพพสิทธิ์องอย่างส่งมาจากกรุงเทพ ทั้งหมดนั้นคือทําตัวให้เหมือนอังกฤษอังกฤษที่มันยึดเมืองตัวไปเนี่ยหรือฝรั่งเศสโคบเมืองก็เป็นบริทิสคอมเบลออฟเนชั่นเป็นจกกักรพรรดิของอังกฤษเป็นเมืองขึ้นแล้วก็อย่างนี้สกอตก็เป็นเมืองขึ้นกรุงเทพอะไรเหมเอาวเราเป็นอนว่าเราพูดด้วยความเร็วสูงเพื่อประหยัดเวลาเมืองเป็นอย่างนี้ปับ๊บการศึกษาต้องให้มันหันฝรั่งส่งคนเราไปเรียนเมืองฝรั่งจบจากเมืองฝรั่งมาแต่ก่อนต้องไปลงเรือไป จอจากเมืองฝรังมาก็ใส่เนกผูกเนกไทใส่เสื้อมากันมาเลยจบจากเมืองฝรั่งมาพักการศึกษาแบบฝลังสังคมแบบฝรัง่งเพื่อไม่ให้มันน้อยหน้าประกาศภูเท่าทั้งหลายห้ามเปื่ยเอิกไม่ยิงหาเสือมะลุงผูชายคือกันกางเกงแต่ก่อนลุงผ้ากระเตีย้ยนุ่งผ้าจูงกระเ็นบ่อเอาเจ้าต้องนุงแบบฝลังไปตัดสง่งหา ย, ยามานลุงเ อ, อิว่าสง่งฝลั่งรหว่าเป็นเรว่าส่งขาลังบัดเนียส่ ง, สงขาลังสง่งขาลังส่งขาลังเพราะแต่ก่อนเราไม่นุ่งกับเกงพวกนี้ ทั้งหมดนี้เราจัดระบบให้ทันฝรั่งทั้งหมดเลยแม้แต่การกินผูเขาเคียวมากตัดเครื่องโครหิมบมาสั่นห้ามมันจะบมดทันฝรั่งฝรั่งเขาหัวหลอกเขาดูถูกแ ม, ม่ไงโศกเศร้าขนาดย่ำนั่นขันไม่ได้หนีกับชุกอั้ ง, งไรเตบิบบุกันกันไปตัดเครื่องโู้แต่ว่าในสมัยนั้นตัดเครื่องโอท้งห้ามเคียวมาตัดมาสั่นและก็พัฒ น, นาคนผู้ใดมีลูกดกได้กำไร่าสั่นเพื่อที่ได้มีลพลเมืองช่วยชาติไปตีกับฝรั่งให้ฝรั่งไม่ดูถูกเดี๋ยวีเดียคุมกาเนิด มุ่คุรันกันแล้วการศึกษาเนี่ยสําคัญมากเลยจากการการศึกษานี้เราไปเอาทั้งระบบชีวิตระเบียบสังคมเมืองฝรั่งมาหลังจากนั้นนะระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองระบบอะไรไปถอดแบบมาจากฝรั่งเมื่อการศึกษาที่ไปเรียนมาจากฝรั่งแล้วก็มาจัดระบบการศึกษาแต่พอเรียนในวัดพระเป็นคนสอนคนที่จะอ่านหนังสือได้ต้องเป็นนักบวชบวชเรียนเขียนอ่าน เมื่อนักบวชรู้แล้วเนี่นักบวชจะสอนชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านเชื่อพระมากบ้านเมืองสงบลมเย็นบัดนี้ชาวบ้านบริเรียนเมืองนอกมาจาัดระบบการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนยุธวันวันพระแปดคำสิบสี่คาสิบห้าค ำ, คำยุดให้หนักยุดอย่างสาระมันเบวบางพ่อยังไม่ยึดาาามาจําสินพ่อยังไม่ใ่สดมาทาบุญในวันพระหลายๆห น, นเร็กหน่อยซศร้าสะกดบัลลังเมื่อเงอนยุดนี่ของเราอยู่วันพระ ฝรั่งเก็หยุดวันพระเมืองกันวันเสาร์วันอาทิตย์วันชาบาโตวันฮอลลเดย์คือวันพระเขาศาสนาคิดไทยเอาไปเรียนเมืองนอกฝรั่งมาเอาแบบฝรั่งมั่นบอยุดได้วันพระเฮาบาทเนี่ยตักวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดวันสันโรงเรียนออกจากวัดแต่ก่อนนั่นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในวัดวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคังพัสดุวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างวัดเป็นโรงมหาสศ เพลงว่าวัดเป็นโรงเรียนเด็กน้อยมาเรียนนี้พระเป็นคนสอนพระน่ะเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นครูวัดเป็นโรงแรมไปค้าขายไห้มือเอาเกียนไปเอาม้าไปคําไสไปนวนวัดโลดเห็นวัดเสม็จเหมือนเจ้าของโรงแรมที่ไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการดีที่สุดในโลกมืออื่นเศ้าจกเขา ว, วัดกินยามเพลิกินเขานําวัดเองมือแรงไปหาขอในบ้านบอได้ซื้อเมืองไหนมันจะเลิศเหมือนประเทศไทยทางจิตใจขนาดนี้ยเรียก ว, ว่าวัดเป็นโรงแรม วัดเปโรงพยาบาลที่เข็บตอดเปงอดกัดคาองอุนอ่นๆลงวัดยูมีหวานนี่ย่างไ ง, อ, ง, อ, งออกโลกแห่ออกไปมลยังคูคนมาสะเดะาะแหผาดวายอลีล่ะเป็นพดุงคันไปในตัวเถ็เบิ่งรูแต่ก่อนมันดีขาดนี้วัดเป็นอย่างนี้ฆาที่ตว่านตยาฆานางไว้วัดวัดเปโรงพยาบาลแล้วนะวัดเป็นศาอาญาเพราผิดกันสันมพันธ์ทำไมตีๆกันหัวล้างข้างแตกประจำเดือนออกข้างหัวแดงใจวายัง เพือเอาซิหัวเขาเศร้าหัวหงอกมาว่บบอฟังต้องต้องซี้ปลากันไปมลยาครูขึ้นมายาครูกันไปเอ้ยพะกันมาขับทั้งสองเศร้าสลาเอ้ยหายคนที่ดีคนเถือหักกันนั่นจังหวานจังซื่อตั้งกันแล้วมันคืนมันขมคันหักพร้อมกันจังได้แต่งงานกันจังได้เอากันขันสั่งทองกันมันได้ปลากันได้หรือคือถอนแน่เหมืองหักมือแห่งกันลูกกันรับเหมืองสุญญากาศหนาบานบริโภค ม, มันเนเลนเฮือนดอกหน้าโซสาเฮ้ยผีใจหลายบ้านในกาพระเซานาทะเลาะกันกันเลือกดีคนก็าเกาบ้านเห็นไหเป็นสารอาญาพิษคลองต้องเทียงแด น, เ, ดนเจ้าได้หลายข่อยด้วยนะของเจ้าอยู่ผีจะมาปลูกตายยังกใทั้งนือวัดสันีกันแบกกระจกสันหัวกันกันน่ผู้ใหญ่บ้านกหัวขาวสาวหัวงอพูดไม่ลงเยนิมนต์ยููมาเทในฟังปันกันให้เสมอเดียวกำกังใหญหนักเพลินผีเบาผลบาปสีน้ำลาเอ้ย ไ่เรียอนแผ่นดินมาเกิดดรอตายแล้วก็สิ้ น, นี้จารคันห้งองเรอยู่สิมันคดๆงอๆลูกเต่าเกิดมากกับสิบพิษกันให้พิษพานาติษแดนกันปลาเอ๋ยไปเอาเสื่อ ง, มงเ ม, มื่อคืนนวดมันเื่อมขิงนิ่งจังซี่ลูกเต้ามากกับสิบพิษกันโอแม่ข้พมันโดนนี่ไว้สั่งกัเอาเลยพ้นโหลดเรียบร้อยสบายเห็นไหมล่ะวัดเป็นสารอาญาว่าเป็นคังพัสดุ สิแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงลงมี่ยังมาขอถ่วยบวงคว้งจองอยู่วัดเปิดเขากะบากสากะเบืบมอมีพ่อเต็มทุกอย่างของบ้านวัดสมัยก่อนหลังอย่างนั้นยังไม่พอนะหลังจะเป็นทางพื้นยังเป็นโรงขอรื้ศพด้วยไปดังมลําอยู่วัดผ่านวาระนเนี่เอาบุญกรินบุญพะเวทบุญ น, น่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสลองสลาบุญตั้นเข่าจีฟังมลลัมสรีหัวแปบวันห้องไหลลงไปวัดเธอมาเปิดอาลาลงวัดอยู่วัดทางนั้น วัมนั้นวัดเป็นทุกอย่างประชุมกันชาวบ้านกำนันผพุทธบ้านพบกันที่วัดแต่พอเราจัดระบบ ก, การศึกษาแบบฝรั่งปั๊บโรงเรียนออกจากวัดโรงเรีออกจากวัดตั้งโรงแรียขึ้นให้สมมตนอนบัดบักโรงพยาบาลเกิดขึ้นอะไรต่ออะไรออกมาจากวัดนี้ออกจากวัดบัดบันนี่เป็นยังไงบัดนี่ยสารอาญาสาธุหลวงปูอ่อนุมันก้อนเงินเงินน้ำลลหลงน้ำรานอะไร โอ้บอกฟัโทอยเงยฟังเงยกำลังสู่ยกปัจจุบันที่มันกําลังจะมองสู่สถานการณ์ของพุทธศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้การศรึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเราเรียนวิทยาการแผนใหม่แบบฝรั่งหมดการค้าการขายอะไรต่างๆส่งไปเรียนก็เลยเอาแบบฝรั่งพระสงฆ์องค์เจ้าหมดบทบาทบาทเนี่ยแต่ก่อนนั้นเว้ยพระสงฆ์องค์เจ้านี่มีสังขานุภาพยิ่งใหญ่สั่งชาวบ้านทําอะไรได้ พระมองย่งคนเสือบัดแต่ก่อนคันพระขี่ข่านเสียหนาวัดประสันตีกองตึงเตืงตึงเโต้ไ ม, ม่แบกเสียมสลับสลับขันมากๆประสันเทศให้ฟังเรื่องแล้วยหย่มไก่้น่อยอตีเตกอเลในอดีตการเอกระมิงปนสมัี้กีราดังไดรนี้มาหนี่ยังมีแล้วโตวนึงเขาไปหย่มไก่หน่อยอยู่ในวัดรอดหย่มไก่หน้อยไปได้ไก่้น่อยไปได้หนาแห่งแห่งไปหิมนอกวัด แล้วตัวนั้นตายไปพระันได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เทวโลกก็มีแล้วพะสันพะจังันสาทาสาปุริสาทั้ง้ายจงไปเสหาว่า้มันแปนเออเตอรดอร่นก็แบกเสียมสลาสับหลา บ, บลงวัดหงเพื่อเดเป็นเทวดาขึ้นแลว้วบาปนี้เขาไปเสือได้า่านนงเขาไปเรียนนอกมาแล้วจะไป สมาราถาวรพอฉนนั้นตัวไปไ ด, ด, ด้ยากว่าเด้อไปเสียห้าหมั่นบุรีบอเขาว่าเสีอหนาป๋อบุดีบอเพื่อนันนอนเฝ้าอยู่เห็นอย่างนอนเย็นโกนทา ท, าทา่าโยคะว่าบาดเนี่ยผัดแม่นของเขาอีกไหลดังนั้นหลังจากนั้นสมัยก่อนพระพูดอะไรคนเชื่อกระบาบบา บ, าบาเรียกว่าตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าเขาวัดจำศีลบาบที่นี่ยังมหาศพสมัยก่อน อย่าไปดูถูกพ่อแม่ว่าท่านทําผิดแต่กี่มันจะมีหลายปานนี้ปีนึงมีสิบสองเถื่อฮีสิบสองแต่ยังบวํานามันอึกเข่าอยากป่าได้ได้บุญพระเวทหันบุญกระถิ่นหันจ้างมลำ้มลำมลําคำมอลํากระถิ่น ก, ก็จะลํากับบุญกระินนี่ดได้เหตุก่อนเหตุแล้วได้อานิสงส์ยังไงอานิสงส์หามาติกาแปดเป็นจังได้กระถิ่นเบกระิ่นเน่ากรถินเศร้ามองเป็นยังไงไปฟังหมอลําก็ได้ความรู้จากบาปบุญคุณโทษขันมอล้ำมูสมัยก่อนพระเอเป็นฝ่ายทํา ส่วนพยามารก็คือฝ่ายอาธรรมเบิ้งล้วก็อยากเป็นพระเอกอยากมีสินีทำมมันือคือขโมยนี่หมอละ ม, มูอันวายเบิ้งบักสองชั่วโมงยังไม่อยากเป็นหมอละ ม, มูจากจังไดรไฟแฟนสีเวิ้งว่าเบิ้งวาบยางเสือมบาบ่ได้แก้ผาเต้นตะกนยองคลงบังออกมาว้าสปีดรอมดีแค่ไหนมันจะเป็นห่ายคนเบิ้งเต้นตะกนยองคล้องบังออกมาบานจักแม้ยังจะพากันไปเบิ้งดีแท่ได้ล่ะโยกตีเสนาคนเบิ้งผอมเสือผากระเฮ็ดบ้านแล้วครัดสำอามานึ่งไป ชู้่อว่าจังใดมันทําลายสมัยก่อนนั้นเป็นโลมหรสพทางวิญญาณหมอลําก็ราเรื่องศินเรื่องธรรมกลมเกาวิญญาณให้สงบให้รำงับให้รู้จักสินรู้จักธรรมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีโลมหรสพทางวิญญาณมีแต่โลมหอรศพทางกิเลสเอาหนังเข้าวัดเนี่ยอาตมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเอาวัดละโมเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนท่านเอาเข้าวัดเขาราเรื่องสินเรื่องธรรม เรื่องพระเอกนางเอกเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่เดี๋ยวนี้โว้ยมีแต่ส่งเสริมกิเลสถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่ก่อดไล่จูกล่อดอยู่ในจอนั่นขันสั่งกันกระชากเปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันลอดให้อภัยก็ไม่ได้ปุ๊กมันขึ้นมาฆ่าเหมืนว่ า, วารับจ้างตายวะสันตามล่าสามมไหมวะสั น, นแค่นี้ต้องทำราคามบนจะให้มีเหลือมีแต่คนเดียววะสันเด็กหน่อยหัวทอกำปั่นได้ไหม นอนกิ่งขอขล้ อ, ลอมันเห็นในหนังแต่ในหน่อยมันสะเป็นโจรหรือจะเป็นพระเอกไม่ทราบได้ใช้จึงหดายบาทนี่คือการศึกษาแบบฝลั่งเข้ามาพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาทสิไปสอนไผ่ผาบัตรเนี่ตรงนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วนะช่วยฟังให้ดีพระสงฆ์เจ้าเขาเก็บตัวอยู่ในวัดเมื่อเก็บตัวเขาจะจับโอไปเหี้ยนแต่ในําตีทําโทรทาเอกแต่ก่อนนะทําโทนี่ยังไปสมัครเป็นครูได้นะทําเอกไปสอบครูมูลได้ เดียวนี้ก้าวประโยคเขาก็ยังมองข้ามเองว่าไม่มีกูดบินอะไรเลยคําสอนทางศาสนาแห้งไม่มีผู้อยากเรียนบ้านตั้งโรงเรียนบานลีขึ้นมานี่ยโ ล, ล่งเลงไม่มีใครอยากจะเรียนเรียนแล้วยังมองเห็นว่าวิทยาฐานะการศึกษาทางนี้ใครจะรับรองให้ ท, าทาหาํางานทําการมหาตั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยสอนทางโลกระดับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามมีเขาเลี้ยงบ เ, เจ้าบันลงมาไฟลองให้อาจารย์มหา มีที่ี่ตั้งโรงเรียนฝ่ายโลกระดับหนึ่งสองสามมีอีกว่อเขาเรี้ยงหลายพ่อจะมายาดกันเฮีย น, นเฮียนเสร็จเราก็ซิกได้บัตรเนี่ยซิกไปสาบัตนไปทํางานแล้วทํางาน่ไปเป็นครูบ้างเ ป, เป็นตานํารวจเป็นทหารบังบวชว่าจักเขือได้บัตเนี่ยเขายห้บวชดนหหก็แห้งหลือหูจักก็แห้งระหลับวะท่นหันยังครูสิเทศมันเชิญพวกครูมาฟังเทศันครูใดบังเคยบวชก็สานันแล้วเวทเทศเขาก็เทศเป็นตัดลาย ห, หันเองเฮียนยาครูเพราะํานั น, นนี่คือเอาความ เอาความเป็นจริงของตนเองไปจับคนอื่นมาค้นอื่นจะเหมือนกับเราเชื่อพระในประเทศไทยจะเหมือนกับเราบวชบวชมาเพื่อจะเรียนไปเป็นเจ้าเป็นนายจังซี่ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่มันเป็นจุดหัวเรื่องหัวต่อในขณะนี้เมื่อวัดหมดบทบาทลงวัดคนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าๆนางๆเข้าคนหนุ่มๆก็ไม่อยากบวชบวชมาก็ประเด็นเลอจากนั้นเลือไหสิยากบวชบันี้พอนพวก หาอยู่หากินบรคุมซบคุ้มปากแล้วเมียไรหนีขี้ขา่านตายหลายซังไปบปวชมาสันเรื่องโรคเรื่องเมียบรคุมซบกุ้มปากยอมรับเลยได้ว่าสันวัดบ้านนั่นก็ห่างกูงได้ผลประว่าได้ผนเสียแทนเมียผลเออมาเขาไปบวชบาสิถ้าไม่เคยบวชกายเป็นคนที่เป็นคน ล, นล้านหลังในสังคมการบวชในสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าน่ยเป็นผู้นําทางจิตใจทางวิญ ญ, ญาณเป็นผู้นําทางความรู้แต่บัดนี้พวกที่เข้ามาบวช เป็นคนล้าหลังในสังคมความรู้ทางสังคมก็ไม่ทันได้แต่จบป .4 ธรรมดาแล้วก็หาอยู่หากิน บ, บกุมซอกุมปากแล้วบางทีเป็นไข่ปัวบนเสาไปบ้าไว้ได้บวชเพราะคือคๆๆไวลากินดีก็จะหื่นเนี่พออยูย่ต่อไปก็มีบแบเนี้ในช่วงนี้มันเป็นปัญหาที่สุดคนโบราณก็เลยเขียนไหวบันในยุคนี้เขาเขียน ว, ว่าคนสิพ่อใจส่างสมพ่านเฮืงงองหงเขตหมู่สังะเจ้าสิงสิเสาศูน คนจะพอใจทําบุญในยุคนี้ยุคที่จเจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางไฮเทคเนี่ยเพราะว่ามรดกมรดกทางธรรมพ่อแม่เคยนับถือศาสนาพุทธยังสอนไว้ยังเชื่อในหัวจิตหัวใจผู้เท่าบางคนคนรวมบางคนที่ยังไม่มืดมจดเกินไปก็ยังเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีทําบุญได้ขึ้นสวรรค์ทําบาปตกนรกยังมีความเชื่ออยู่เรียกว่าไออุ่นแห่งผู้ศาสนายังมีมั่ง ก็ยังเชื่อแต่ในความเชื่อนั่นบย่ยากบวชเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีรถเต่งขี่ตมีรถติดแอร์ขี่เรามีมอเตอร์ไซค์ขี่มีโทรทัศน์มีวิทยุมีอะไรต่ออะไรบรวชให้หทั้งวิ่ทำบุญหนะทาทำบุญยิ่งใครรวยมายิ่งชิดมากเออชาติหน้าก็มีพันเอกสนอกก็ยังว่าอยู่เด้ตายเ้วก็ยังไปเกิดดูงเห็ น, หนหาทำบุญนะ้เาไ่ได้มันได้หลายกว่าเก่ากว่าันน่ คนโบราณบอกข้นสิพอเจสังสมผ่านยิ่งหุ่งศาสนาลวงเข่าต้องข่านปีปลายเศษไปแล้วเนี่ยสงผูห่องเห็นแก่หงอดทำหาซึยังเหลือหน่อยในคลองพู้ท้ววัดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มค้องสงป้าปล่อยวิ่งถือแต่หน่อยพ่อได้อหูหอมล่วงพ่อได้อหูหอมี่อตัวหนาเห็ุเพราะมันคือคือนนี่ที่คุณสิพ่อเจสังสมผ่านยิ่งหุ่งเหตุมูสังขเจ้าซึ่งที่เสาเสื่อมสูญในช่วงนี้เอาแล้ว สุ้มหนึ่งหนึง่งขอแหงเขาขับเรานับถือพ่อเลยสวยให้จังใดเขาจะเสือให้จังใดคนจะไปวัดข่อยได้หลายไปทําบุญในข่อยได้หลายฝันจังใดเนยพยายามขึ้นทนนําน้ํามนต์ยังไงจึงจะศักดิ์สิทเฮ็ดกะตุดโทนไปพากันไปเฮ็ดพวกโตมันมน่นจติมีเฮ็ดมาเป็นกันไปซื่อแบบมาฮัดเขียนโตหอมได้ฝนกรงองตาแง่งได้นาม า, า, า, าภธธาภาณโมพุทธญาณโมวิมุติยานโมวิมุตานังหัดเขียนอ่ธธ า, านไปได้หรอกฮัดเอาจู่วจู มาให้สิเจิมบาทเนี่ยองนั่นเก่งวันนี้ไปเตอมซื้อลอใหม่ไปเจิมเพื่อซื้อมองค์นพูดถึงตอนนี้ขอปองอบัตอดามาบวชมาเนี่ยยังไม่เคยเจิมเคยจิ้มใครน้ำมนต์ก็ยังไม่เคยทําแต่เคยทาํามาครั้งหนึ่งกับนมนต์แล้วก็เจิมครั้งหนึ่งฝรั่งซื้อลอซื้อรอตไปใหม่ขับกุเลงกุเลงออกไปจากห้างไปเจออดามาพอดีโออเป็นโชคดีว่ะพูดรักฟอร์มีวัชรโชคดีข่อยเห็นพระวัชนนิมนต์นอาจารย์ขึ้นไปทรงที่วัดฝรั่งเยอรมัน เคยไปบวชก็อาดมะมาอดข้าวสิบเก้าวันสิบแปดวันอดข้าวอดบุหรี่คนนี้เป็นลูกศิษย์แล้วไปซื้อแล้วไปเจออาตมาก็ดีใจโชคดีวันนี้ได้เจออาจารย์ขอไปส่งเอาบนที่ไปส่งแล้วกลับไปหาเนี่ยนี่อย่างงมงายคนไทยเนะ่ะไม่เข้าถึงหลักธรรมซะส่วนมากอาไปเติมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงปูดง่ดังๆไปเติมหอยไล่ขยายเลยผลวนี่ไม่สบายใจต้องไปให้อาจารย์ท่านเติม ไม่มาสเตอร์อินบ้านแพทย์วะทันอาจารย์คอยอยู่บ้านแพทย์ผมวะทันไปเติมว่าอาจารย์ข่อยจังดิวะทันเมียไปเติมที่อื่นไม่พอผัวจะเติมใหม่ก็เอาขันห้ามาใส่รถมามีเครื่องเติมมาด้วยเออมาถึง ม, มากราบมามาจะมาเติมตรถอาตมาบอกเติมทาไมฟอรกูนหลักฟอชามอเมเรดวะทันเพื่อให้มันดีให้มันโชคดีบ้าฝรั่งก็โ ง, ง, ง่ขึ้นมือยุโรปนี่วะทันอาตมาก็เลยมาจะเติมให้เนี่ อามาเต่ไม่ประสาฝรั่งเลยไร้แค่ฟุลลี่วิสมาฟุนเนต์ดัน be c a r e คล s s สนักวิทฝรั่งบราวโววาทย์เศษวิทเศษว่าวัทยฝรั่งวานแตว่าไรแค่ฟุลล wow ีบอกขับด้วยความระมัดระวังไร้ e ค a ฟุลลี่วิสมาฟุนเนต์ขับด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะด o นท be จะแคล e ลสอย่าประมาทดีรวด บอกกำลังมาลดนี่จอดตากแดดแม่แรงของโฮมเองได้บอกแดดเผาหัวขอหโมได้บวลดบอ่อได้แล้วกระสันมันสู้มันแรงไปหาเหยียบคนเองได้บล็อตลดนี่บอ่อกระสันมันไปน้าคนขับผี่ต้องเจิมหัวคนผี่จะไปเจิมยังรถคนให้คนมีสินมีทำมีสติสมัมปชัญญะอันนี้ไปหายพาตัวเย็นได้แ ต, ต่ง่องแต่แง่งนะมาท่าพระนโมพุทธายาไปเทศกรุงเทพเห็นรถทัวความสองคันลายขยายแต่ละคันกระดายเพิ่มฉันมันนอนตีแต่งดีแท้เพราะเหตุนั้น คนไปอนี้ในสมัยที่คนจะพอใจทําบุญมากเศรษฐีเท่าไหร่ยิ่งอยากจะทําบุญที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีเนี่ยอยากทาบุญชาติหน้าจะรวยขึ้นกว่าเกา่าในตรงนี้เองพระที่ไปบวชโดยเป็นคนล้านหลังในสังคมแล้วหาดูหากินบะกุ่มซบกลุ่มปากแล้วเมียให้แน่คี่ข้านตายหลายเลี่ยงบะกุ่มซบกุ่มปากสังกัไปบวชก็ไปบวชไปบวชเขาพอทำบุญหลายบันเลอพยายามเนี่ยคนจะบอกว่า สงสิภาคกันถิมวินัยป้าปล่อยพรวินัยถือแต่น้อยพ่อเดือยหูหอมเรื่องเข้ามาบวช ด, ด้วยความผิดหวังไม่ใช่ผิดหวังคือล้าหลังผ้าเถก็เลยเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ก็เลยช่วยโอกาสสัต บ, บุริยในสถาของคนที่เริ่มใสให้จังไรเขาจะทำบุญก็เอามากๆขึ้นสร้านก็มีไปมากกับมีรถเก๋งขี่มีอะไรขึ้นมากขึ้นได้บาทเนี่ยถึงมีพวกหนึ่งผิดหวัง ผิดหวังอะไรพวกนี้เป็นพวกหัวรุนแรงหัวรุนแรงสุดเหวี่ยงถ้าเป็นคาราวาก็อาจจะเข้าป่าเข้าดงเป็นควา ม, มนิดสุดเหวี่ยงแต่นี่เป็นคนที่มีความตั้งความหวังไว้สูงส่งอยากเด่นอยากดังอะไรต่างๆผิดหวังทั้งนั้นไปเจอแต่ความผิดหวังก็เลยหันมาศึกษาธรรมะพอจับได้ประเด็นนิดเดียวธรรมะในบอกให้ละให้ลดให้เลิกให้อะไรต่างๆบวชเลยพวกนี้บวช แต่ไม่รู้ภาษาบาหลีอะไรม่นสนใจทั้งนั้นเอาไปมาภาษาบาลีไม่ต้องพูดเอาภาษาไทยรุ่นๆตีความพระใจพี่ยกเอาเองแหละเทนี้พวกนี้มาแข่งวันนี้แข่งสุดเหวี่ยงเลยเรียกว่าแข่งจนขั้งอีกควกหนึ่งมาด้วยความล้าหลังจากสังคมมาหย่อนจนหยาดเลยฉันเศร้าก็เอ็นฉันเพลินแล้วกันอน ตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์สามวน้ำบันสรวัทิต์หัวจุ่มสกันเจ้าจะเอามุมแดตัวน้อยขอเอาคนได้มุมแดงผัดบาลานี่อย่างนี้พวกนี้ย่อนจนยานคือพวกล้านหลังในสังคมให้ซิบออกไปก็หาเงินาร่อรื่ตอนนี้บวชคนทำบุญแล้วนี่อยากไ้เขามาทำมไดเขาจะทำให้เอาอย่างนี้มันก็เลยเกิดยุคยุคยุคนี้เรียกว่ายุควหัวต่อ ยุคเทอร์นิ่งฟยส์ข้อพายผู้ภาษาฝรั่งว่ายุคกลับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เองพวกที่ผิดหวังในสังคมพวกผิดหวังส่วนมากเรียนทุงระดัมุ่งหวังใหญ่โตมากแต่ทําอะไรไม่ได้ดังใจถูกกระทบกระเทือนด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆทั้นไปฮั้นมาเห็นศาสนาสอนในทางอย่างนี้เออเราเข้ามาทางนี้คนยังนับถึงศาสนาอยู่พอเข้ามาบวชปั๊บเข้ามาบวชแล้ามาสื่อสารหน่อยก็แฮ้แต่พระอื่นไม่ดีทั้งนั้นพวกนี้เคยไปสุดเหวี่ยงรุนแรงกยูแล้ว ตนเองก็เลยสมาทานเอาสุดเวียงรองเท้าไม่ใส่เงินไม่เอาเนื้อปลาไม่กินกินมังสวิรัตคนอื่นเป็นยักเป็นมารมาื่บาทนี่เอาแล้วาบาทนี่ตพีพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกไปคนละทิศละทางทนี้อะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์อันเนี้ยเริ่มเกิดขึ้นหนึ่งพวงหนึ่งหย่อนไปจนหยาดพวงหนึ่งแข้งจนข้างแต่ความถูกต้องไม่ใช่หย่อนจนหยาดไม่ใช่เคร่งจนข้าง แต่อยู่ที่ความพอดีมัชฌิมาปฏิปทาไอ้ความพอดีนี่ไม่เข้าข้างทั้งแข้งไม่เข้าข้างทั้งยอนเป็นอย่างนั้นทีนี้เรากําลังจะหาคนที่พอดีสร้างความพอดีอย่างถูกต้องจะต้องมาแก้ไขทั้งแข้งจนข้างและหย่อนจนยานทีนี้เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นตีความมันไปทั้งฝ่ายแข้งจนข้างและฝ่ายหย่อนจนยานก็แตกกันเป็นป๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองเกิดขึ้นทีนี้ฝลั่ง เอาละในขณะเดียวกันพวกฝรั่งไปสุดเหวี่ยงทางวิทยาศาสตร์ฝรั่งปวดหั ว, วบ้านเมืองฝรั่งมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยหันไปหันมาฝรั่งมางศึกษ า, าศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่คันเจลันใครซีอินอเมริกันเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมฝรั่งไม่นับถือาศาสนาเก่าคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้ เขาไม่สนใจถ้าไปบอกว่าพระเจ้ายัางน้อยนี่อยู่ฮ้ยเขาบอกกอ o กอสิสเดทอเลดดีพระเจ้าตายแล้ววาฉันพวกฝรั่งสมัยใหม่บอกเสือว่าพระเจ้ามีหรอพันเอาไปเอามาหันม า, าศาสนาพุทธศาสนาพุทธซึ่งนักวิทย า, าศาสตร์อย่างอันเบ t h ์ตไอสไก็เคยเขียนยอมรับเอาไว้ซึ่งโลกยุควิทย า, าศาสตร์นี่หนีไม่พน้นนีไม่พ้นาศาสนาพุทธ อย่างไอเบิร์ตอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นผู้เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่สร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมานั่นดังๆแกบอกว่า the religion of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal god and avoid dogma theology ศาสนาในอนาค ต, น, ต น, า น, าาคน่จะต้องเป็นศาสนาสากลจะต้องเป็นศาสนาที่ปราศจากพระเจ้าที่มีตัวตนและไม่ใช่คำสอนแบบด็อกมาแบกให้เชื่อต่ำต้องพิสูจน์ได้ ทางทางจิตและทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์จะมีาศาสนาใดที่สามารถรับมือความต้องการทางวิทยาศาสตร์นี้สุด so, ท้ายอันเบอร์ไอสไตน์แกบอกว่า there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism ถ้าหากจะมีาศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้าศาสนานั้นจักต้องเป็นพุทธศาสนาฝรั่งก็เลยหันมาสนใจที่นี่ คนไทยของเราเห็นฝรั่งสนใจพวกที่เป็นคนไทยโดยกำเนิดเรียนทั้งป .4 ถึงปริญญาตรียังไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะเรากำลังวิ่งตามฝรั่งแต่ฝรั่งไปสุดเวียงแล้วไปไม่ไหวแก้ปัญหาไม่ได้กำลังกลับมาหาศาสนามันนี่นิ่นเสาเสียแสงสันหกวหินแหกับเกิดเป็นหน่วยแกวพิล่าเข็มคาแท่งพกฝรั่งกลับเห็นของเราดีเราก็ไปเห็นของเขาดีบวดมันกลับกัน บัวขีบ่บ้านเกิดกลางหนองพักพองนี้เมื่อพ่นตรงใบเป็นต้นบัวห้องขึ้นหัวสวนกําบ้านเกา่าบอลเลึกสั้งเหล่าตื่นสิไปห่งบอนเขินพวกฝรั่งไม่เคยรู้เรื่องศาสนาเคยตื้นพวกเรานี่เคยรู้เรื่องทุกศาสนาลึกแต่บันนิดบอลหลึกสั้งเหล่าตื่นไปห่งบอนเขินพวกนักเรียนไทยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนน่องฝรั่งถามวสุบุตรดิสเตรียนที่ชิงปรัชนาพุธ้ธสอนยังไง ว่าส about metaphor meditation development อันเทคนิค hmm. ในการปฏิบัติสมาธิภาวนาทำยังนไงตาบามีกลุมม่มมาบเลยคุณเคยเขาวัดจักเถื่อตอนอยู่เมืองไทยบัดเนี้ในที่สุดจะติดฝรั่งฝรั่งเขาเรียนแล้วพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีประกรณ์ลอนดอนได้แปลออกมาก่อนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งฝรั่งเรียนจบและสนใจเรื่องสมาธิเห็นนักเรียนไทยไปถาม ให้จังเดย์ผู้สอนจัเดยสมาธิวิปัสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงจ้าป่าในปานตีเสืหัวเข่วยเลยบาดเนี่ยบอจักก็เลยคิดว่ามึงเบ้อกูกลับเมื่อเนี้ยกู้ื่เฮียนกะขับาปบาดตัวสันปัดพ่อของดีน้ำของกูคนตัวสันพอพวกนี้กลับมาปั๊บแหล่งที่จะให้คําตอบคืออะไรแหล่งคําตอบวัดพระพอกระมาปั๊บก็เข้าวัดทีนี้ผิดหวังที่สุดเข้าวัดมาถามัสสนาบานในพระบอจัก ฮาเฮ้าบอกจากเข้าเองก็ไม่เคยสอนไม่เคยเรียนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเรียนแต่นักทำตีทำโทรทำเอกสอบจากได้บไดเอาแบบไปเดึงพยายามสอบไปโกงกันข้อสอบรั่วมาจากพวกมันเป็นความเสื่อมกุศาสนาได้ใบประกาศแดงจึงคึ่งไปถามธรรมวิจารณ์มาจากไดนในเอาาาทัพปัสสาวะสีมังโลกันต้กผมสอบได้แล้วผมก็แล้วเลยว่าสันมันเป็นเมนดอกมันจะมาลืมใบ ป, ป่านนั่น คณะอาตามาบ่ได้นักําเองเดียยังจําได้อยู่หลักมักทำฉันเอกเขาขึ้ขมือเนี่ยในภาค น, นี้เขาท่องสหูอยู่จําได้เท่าทุกวันเนี่ยอันนี้ซักสอบแล้วผมก็ลืมมาเลยขี่แท้โกงโกงโกงโก ง, โกงที่นี่มาหาคําตอบพวกปริญญาพวกนักการกศึกษาสมัยใหม่ซึ่งผิดหวังจากมึงนอากับมาหาคําตอบไปถามญาครูญาสาบอจักบประสาทนิสานณอาติเตกาเลงามพันธ์เหต ในอดีตกานที่ผ่านมากี่ระดังได้สะดับมาเขาก็หาลหาบงาเขาจากนอนแท้กออย่างวันสันเถ่งภูเทถึงผูฟังมันจะนอนนำกันงนั้นเลยไปได้ฟังพระมีความรู้ป่อศกัดนธธรรมเอกซึ่งไปโกงโกงมาพวกโยมจบปัญญาตีโทษความรู้ทางโลกก็พอมามาฟังคำตอบของพระสมัยใหม่ซึ่ง ถ้าเราไม่มีความรู้ทางโลกด้วยท่านท่านก็ยิ่งอ่อนไม่สามารถที่จะที่จะให้พิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์เขาไม่พอใจเมื่อเขาไม่พอใจแล้วก็โชคดีอีกอันหนึ่งพระไตรปิฎกเราแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษอจากภาษาบาลีเขาก็ไปอ่านเองอ่านไปด้วความมันเชิงซึ่งความรู้ทางโลกมากเออมันจึงเป็นยุสิยุสิยุสิยุสิบ่วยโอ้หะในอุดมคติต้องไปนคนมากน้อยต้องไปนคนสั้นโดด เอเดลชานวิชาสักกรมเศกบาลลดน้ำมนพ่นน้ำมันเป็นหมอเป่าผีมอเศกมอเป่ามอขับผีขับสังนี่อพระไตรปิฎสอแท่นี่คือด่าไปแถอะเป็นความผิดไม่ใช่คำสอนศาสนาเป็นอย่างทาเขาจะไปจด็กสิในที่สึกเขาผิดหวังเขาเห็นพระเราโดยทั่วไปเนี่ยไม่เป็นพระในอุดมคติที่เขาได้เรียนเขาก็ไปแสวงหาคำตอบบางทีก็ไปแสวงหาพระไปเจอพวกแข่งจนข้างเข้าบาดนี่เอาเลยได้ทวกนี่เกิดกบไซพุ่น เอาแม่คอยพกินว่าปลาคอยอะไรอย่งางบีกินกินจะพักไลยเออัี้จึงเป็นพระแท้บัณฑ์เขาวาด้วยบาดเนี่ยนี่มันก็เริ่มฉีกสังคมออกมาเขาก็ไปหาคําตอบคําตอบของท่านเหล่านี้ก็ตอบให้เขาอย่างนี้อย่างนี้ถูกใจเขาเองด้วยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะการศึกษาพุทธศาสนานั้นมันละเอียดมากในที่สุดเขาก็ไปยอมรับจากหนึ่งไปก็สองสามสี่ห้ามีแนวร่วมขึ้นมากมา ก, มากขึ้น จากคนธรรมดาไปจนถึงเจ้าใหญ่นายโตขึ้นเห็นดีเห็นงามด้วยในขณะที่สังคมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ควมเห็นกันอยู่อีกลวงหนึ่งลดตัวลงมานุ่งเสืออ้อหม้อห่มน้อยกินน้อยกินมังสวิลัตินี่สมนี่จะเป็นของดีแทบมันมก็รวมกันมากขึ้นมากขึ้นมีพลังมีอำนาจขึ้นกลายเป็นกบเฉียดหน่อยประห้องอ่านโ้องสารให้ไต่งูเฆ่าผิดเหี้ยกลัวเกงย่านได้บัตรนี่สถานการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นทําเมื่อไงที่นี่ เมื่อมีกําลังเข้าวะโสอิสริยงโลเกอํานาจเป็นใหญ่ในโลกอีตรงนี้เป็นปัญหาที่สุดหลักแต่ความถูกต้องกับความถูกใจนั้นยังไม่ใช่อันเดียวกันพระทําวินัยที่ถูกต้องที่ดีงามและไม่ใช่เข่งจนข้างและไม่ใช่หย่อนจนยานแต่อยู่ที่ความพอดีทํายังไงจึงจะเห็นความพอดีทางเป็นการตรงนี้เองเรียกว่ายุคเทอร์นิง่งป้เทอร์นิง่งปอยุั่งเ ก, กับ คนสมัยใหม่ขึ้นสุดเหวียงแล้วกลับมาหาศาสนาเมื่อหาศาสนาแล้วไม่มีคําตอบที่ชัดเจนที่ถูกแกไม่มีพระในอุดมการณ์ไม่มีพระในอุดมคติไม่มีวัดในอุดมคติที่ได้ศึกษาก็เลยไปเห็นสิ่งที่ถูกแกก็เอาขึ้นเอาขึ้ น, นตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีปัญหาขึ้นมาในบ้านในเมืองที่นี่ทํายังไงต่อไปแล้วก็มาถึงยุคที่เราบอกคอนเนคชันไปอู่ภาษาอะไรคอนเนคชันไปทุกคนเรื่องหัวต่อ ทำยังไงเราผู้เป็นสมาชิกของพุทธสมาคมเนี่ยจะทำให้ยุคนี้ดีงามขึ้นมาจากแข่งจนขั้งจากหยันจนญานให้มาเป็นความถูกความต้องความดีความงามอามามาเห็นว่าท่านอาจารย์มหาณิชย์เนี่ยกับวัดที่อาดามาอยู่มีความเป็นอยู่เกือบเหมือนนกันแต่ที่นี่ถ้าให้ความรู้ทางวิชาการท่านซ้อนนมตีโทเอกบาลีแต่ที่วัดอาดมานั้นวิชาการนี่ อารามก็สอนแต่ไม่ใช่ระบบที่เราจัดกันอารามสอนตามระบบของพระไตรปิฎกแล้วที่วัดนั้นเน้นไปที่การปฏิบัติอันนั้นคือการศึกษาอันนี้คือการเรียนที่ที่ท่านหลายอาจจะเข้าใจว่าการเรียนกับการศึกษานี่คืออันเดียวกันไม่ใช่ดี๋ย่นี้คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าศาสนานในการปริยัตคือการเรียนคําเนี่ยคือการศึกษาการปฏิบัติต่างหากไม่ใช่ขอให้ท่านสมาชิกพุทธสมาคมต้องเข้าใจว่า การเรียนปริยัติเรียนวิชาการนั้นคือการเรียนปริยัตนั้นกับการปฏิบัติกีกับการศึกษานั้นมันแยกกันการเรียนปริยัตินั้นคือเรียนรู้วิชาการทางศาสนาภาษาบาลีเรียกว่าสุตะสุตตะพระองค์สุตะเรียนมากฟังมากแต่การปฏิบัตินั้นคือการศึกษาการศึกษาเนี่ยภาษาบาลีว่าขาภาษาสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยอย่างลูกแปด ว่าตามสังคมศึกษาความจริงศิกขาบาลีนั้นแปลว่าศึกษาภาษาสังคมศตกตงกับภาษาอังกฤษว่าเทรน n i n g training ตงกับภาษาไทยว่าฝึกฝนตนเองฝึกตนการศึกษานั่นคือการฝึกฝนมีศีลศาสิขาฝึกทางสี่งให้สิ่สมบูรณ์สมาธิศิขาฝึกทางจิตให้จิตสมบูรณ์ มีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นมีความพล่องแคล่วต่อการงานจําอะไรได้เก่งแพ่งอะไรได้ชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตศิกขาหรือว่าสมาธิศึกขาแล้วก็ปัญญาศึกขาคือการอบรมปัญญาให้รู้จักจปลดปล่อยตนเองรู้แล้วไม่ให้หลงในความรู้อย่างนี้เรารู้กันมากข้างนั้นเนี่ยปริญญาตรีโทเอกแต่ถ้ามองในแง่ของพุทธศาสนายังไม่ได้ไศึกษาอะไรเลยเพราะการศึกษานั้นคือจะต้อง ศึกษาทางปัญญาเรียกว่าปัญญาศิกขาเนี่ยปัญญาศิกษาให้เป็นเพลิงแตปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วคือรู้เข้าไปในความรู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้หลังจากนั้นรู้ความจริงในความรู้อีกทีหนึ่งหลายชั้นรู้ทีงจะปลดปล่อยพันธนาการของความรู้ออกมาจากการครอบงาของความลุ่มหลงกลายเป็นปหานปริญญาปริญญาที่ปลดปล่อยตนเองปหานฆ่าเสี้ยซับโดยอันนี้มันอินสตรุงฆ่าเสี้ซึ่ง สัญชาตญาณอย่างสักธรรมดาธรรมดาการศึกษาจึงไม่ใช่เพียงการมาเรียนรู้สิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนิงสุปท่องกันลิงควิพัตน์ปัจจัยอยู่เพียงแค่นี้การศึกษาจึงไม่ใช่เพียงแต่ น, นคาตีโทเอกถึงประโยคก้าเท่านั้นการศึกษาแท้จริงคือการอบรมสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้แกมแจ้งปลดปล่อยตนเองจนเป็นอเสเซขผู่จบการศึกษาในสมัยพุทธเจ้าจึงแบ่งพระอริยเจ้าไว้สองประเภท เรียกว่าพระ อ, อริยะบุคคลสองพระเสขะผู้ต้องศึกษาอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาในสมัยพระเจ้าไม่มีนึกคำตีโทเอกจนถึงประโยคเตาแต่ผู้จบการศึกษาของผู้ไเจ้าเรียกว่าอาเสขะคือหมดกิเลสโกไก่ฮาวกับปั่นอาชีวอนบุรีพ่อโตจ้อยพระ อ, อรหันต์นี่ยแต่ว่าหมดปัญหาที่จะสร้างปัญหาแก่ตัวเองแก่ผู้อื่นนคือการศึกษาก็เห็นนั้นที่วัดท่านอาจารย์มหาวิชีเนี่ย ท่านส่งเสริมภาควิชาการการเรียนรู้แล้วอาจจมาก็มาที่นี่แล้วก็บอกอาจารย์มหานิพพิวาเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ชั่วอายุของเราที่มีอยู่เมื่อท่านส่งเสริมการเรียนให้เขาเข้าใจผมก็เบาใจเพราะทั้งแต่าทำตีโทรเอกเพียงพอที่จะพูดกันรู้เรื่องในการปฏิบัติหลังจากนั้นท่านควรจะจัดลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยไปเข้าค่ายอบรมจิต ยังน้อยที่วัดนี่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแต่ไม่ทราบว่าท่านจะเอาด้วยหรือไม่ถะาหนนท่านจะเอาแต่เรียนท่านจะไม่ศึกษานี่ก็น่าเสียดายที่สุดเพราะการเรียนอย่างเดียวไม่พอที่จะรักษาศาสนาไว้ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัทธรรมาสัมโมสสูตรอังคุตรนิกายปันจกรนิบาศพระไตรปิดกเล่มที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดสิบเอ็ แต่เต๋อเห็นปุ๊บทันทีว่าศาสนานี่จะเสื่อมพระธรรมนี่จะเสื่อมนี่จะตั้งมั่นเพราะเหตุห้าประการจะเสื่อมเพราะอะไรหนึ่งภิกษุสามเณรไม่เรียนธรรมโดยเคารพสองภิกษุสามเณรไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพศึกษากับเรียนอันเดียวกันบอบัดไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพสามภิกษุสา ม, สามเณรไม่ ใกล้ควรทําโดยละเอียด 4. ภิกษุสษามเณรเมื่อปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม 5. ภิกษุสษามเณร น, น, นี้ไม่แสดงธรรมให้รดน้ำในเบื้องต้นในธรรมกลางที่สุดเพราะเหตุ5ประการอันนี้เองพระศาสนาก็ดีพระศธรรมของเราก็ดีเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมันเป็นไปเพื่อความเสือ่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานอย่างรวดเร็วแต่เมื่อใดยังมีการศึกษา โดยเคารพการฟังกา ร, ารเรียนโดยเคารพการไข้ควรอย่างละเอียดการปฏิบัติที่สมควรแก่ทำที่ตนเองได้ศึกษาได้เรียนได้ไข้ควรมาแล้วและการแสดงทำซ้อนทำอย่างไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายที่จะรักาาษาพระศาสนานี้ไว้เมื่อนั้นศาสนานี้เป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นเป็นไปเพื่อความไม่อันตราทานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมโดยนี้แม้แต่การเรียนก็ไม่เคารพเลี้ยวข่าวรั่วมาแล้ว ข้อสอบรั่วเพราะว่าข้อสอบเนีย่ยครูหัวผู้เดียวผัดบาลีรั่วผู้เดียวผัดนักทํารั่วไปสอบกันย่างไปบอกให้กันอยากจะ่ให้ได้อันนี้น่าเป็นห่วงอันหนึ่งแล้วการปฏิบัติการศึกษานั้นการเรียนมันโกงได้ไปสอบมันโกงได้สอบเม่อใดครูบาอาจารย์ไปบอกให้โกงได้ถึงกระบบก้าวไปยังโกงได้แต่การปฏิบัติโกงไม่ได้ การปฏิบัติโกงไม่ได้ตีระหังแม่งม่งแม่งตีสองครึ่งเพื่อนเขาลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพลิดตนเองใกล้สิแจง่งจังยางโกยโกยมานั่งน้ำมูกมาทำทาคืออึงดึงแล้วบอกกิเลสทมมดแล้วมันโกงไม่ได้เรื่องการปฏิบัติจะหลอกลวงไม่ได้โกงตนเองไม่ได้โกงคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ต้องเห็นกันชัดลงไปขัอนการนำลายความเชื่มั่นถือมั่นการปล่อยวางความรู้แจ้งซึ่งสภาวะทํางกวง เพาะเหตุ น, นั้นในสถานการณ์ของพุทศาสนาทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในยุคเท่านี้ต่อ ย, ยุคที่นักการศึกษาบัญญายนั่หันกลับเขินมาสู่ธรรมวินัยสู่พระศาสนาแต่คําตอบให้เขาไม่พอใจและบุคคลที่จะทําให้เขาได้เห็นหน้าเลื่อมใสเป็นบุคคลในอุดมคติยังไม่มีเขาไปเห็นบุคคลที่แข่งจนขั้งเขาก่อนนับถืออีกพวกหนึ่งก็เอื่อมละอาบุคคลที่หย่อนจนยานเขาก็เลยไปเข้ากับแข่งจนขั้งแต่ก็ยังพอมี บุคคลที่เป็นปัญญาชนของเราเนี่ยยังพอมีมากสู่กาลังไม่เอาด้วยเข่งจนข้างก็ไม่เอายันจนยานก็ไม่เอาอี๋ถึงตรงนี้เนี่ยน่าอุ่นใจหน่อยก็เลยพากันศึกษาก็เลยพากันประพฤติพากันปฏิบัติที่คนโบราณบอกว่าต่อไปหนุนกบเขียนน่อยประห้องอ่านโครงสารเห็ดแตงูมเข้าผิดสีเนยื่อกัวแกงหยาด น, นู้ซิ่งทำตะบ้าให้แม่บอกดำกลมขาบเสือโครงซิมานอบหมอกไหวขะหน้าเหลือดมูสหมัน ต่อจากหั่นพระยาถ้ำสีมาซอยหินอยู่หนามสิจมล่องคือเกาหมากน้าเต่าหน่อยหน่วยแห่งสีฟูขื่นดังเดิมแต่ก่อนบาว่หมากน้าเต่าหน่อยแนี่ยมันอยู่บองบกกลับเกิดเป็นของนักสิจมจมล่องผื่นศิลาก่อนขดานหินนักบืรนับนสีลอยรองหนามฟูขื่นจังสโน่โซสโพสีซอยสี็นย้อยหากยองให้สิกลับจองขื่นแถมสอนปงใบม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนั่งไต่ข่ำ คุ้มยอดห้าภัยพ้นทั้งไขห่หงค่าผายเวยเว่เวหาเฮินเมกสิมันหบหนอบไหวเป็นแหล่งให้แกกาแล้วก็ต่อมาดูสิ่งถ้ำตะบะไห้แม่บักดํากลมขับเสื้อโคงนบห น, นอบไหวหน้าเหนื้อมืงสมันหลังจากนั้นพญ่าถ้ำซิม่าซอยคนจึงจะเกิดขึ้นคนที่ไม่แข่งจนข้างคนที่ไม่หย่อนจนญาณคนที่มีวิจารณาญาณมีเหตุมีผลจะมารวมกันคิดรวมกันพิจารณาแต่ก็คงหืดขึ้นคอพอสมควรเพราะว่ามันมีจํานวนน้อย ก็จะมาทํางานกันอย่างนี้ึงบอกว่าภพญ่าทํำสิมาซอยเห็นใหญ่ห็ น, นสู้หินอ่ำสิจมลงคือเก่าหมากน้าเก่าหน่อยหน่วยแห่งสิฟู่ขืนดังเดิมศาสนาจะเจริ่ขึ้นอีกทุกหนึ่งหลังจากนั้นจึเสื่มลงเสริมลงเสร่มลงไปจนถึงยกนู้นบาทยกใดุกจะหมดเกิดอันตรธานขึ้นเกินลิงคอันตรธานขึ้นมาธาตอันตรธานเกิดเพศอันตรธานลิงคะอันตรธาน ต่อมาจะมีแต่เสียงผ้าเหลืองน้อยๆห้อยหูว่าเป็นพระเรียกว่าโคตรละหูสงสงในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อในพันที่สี่ถึงพันที่ห้าอย่าง น, างนี้อย่างเราอ่านกันในหนังสือสังกาญยามเพศพระเวสสัดนดรอย่างนี้หลังก่อนที่มันจะเป็นเรืก่การลิงคะอันด ahkan ต่อมาก็จะมีพวกกระทงกระเทยมาบวชไปเจออิม hey, an ่าเฮนางอันนี้เป็นที่ว้ากันเนี้ยเพราะความจร่งท่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บวชเวลาบวชก็ถามว่าปันโด เจ้าเป็นกระเทยบอปะนี่เขาเป็นบทไม่ได้ถ้ารู้แล้วใครชุกอะไรเงี้ยเพราะเหตุมันเมื่อลิงค์อันตรธานแล้วก็จะเข้าสู่ธาตุอันตรทานอันนี้เราว่าตามดอกหนังสือนังหาจะจริงเ ท, ท็จแค่ใดก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้เราก็สังเกตตัวของเดี๋ยวนี้ยุคเท r n i n g p ้ i n t ยุคกลับคืนสู่ธรรมแล้วก็สับสนแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยจะอยู่ในระหว่างคอน n e c t i o n p o i n ยุคหัวเรื่องหัวต่อ พ่อ ใ, ใหญ่แม่ใหญ่สมาชิกพุทธศาสนามหมดอายุไปรูกหลานเราจะตามมาได้ไหมอันนี้เป็นมรดกที่เราจะทำขึ้นมาให้ได้ว่าทำอย่างไรธรรมะนี้วินัยนี้ศาสนานี้จึงจะซึมซาบเข้าไปสู่ลูกหลานของเราได้โดยวิธีใดเราก็ต้องมาปฏิรูปปฏิรูปังโอปายิกังทำให้มันเหมาะสมด้วยอุบายที่ชอบอย่างที่พระท่านบอกเวลาบวชปฏิรูปังปริรูปังโอปายิกังปาสาธิเเกนะ ปติรูปไม่ใช่ภาษาหน้า ก, การเมืองเป็นภาษาบาลีปาเป็นวะเข็ดให้มันดีให้มันเหมาะสมอาตมาอยากจะชวนท่านทั้งหลายละ่ะปัดนี้มาช่วยกันสร้างคนปติรูปเลิกสร้างวัดตั้งวังวกันทีเถอะพออยู่ได้เอาแล้วนี่แค่นี้เอาได้เนี่ยท่านสร้างไว้ได้พอแล้วทีนี้ดีใจอีกอันหนึ่งเม่ได้ทราบภาวว่าที่วัดนี้ได้ตั้งมูลนิธิพระราชวิมนตี้ขึ้นมาสามแสนบาทสาธุอนุโมหนาดีใจ ขอให้เงินจำนวนเนี่ยได้เอามาพัฒนาคนเราไม่เคยคิดที่จะพัฒนาพระเนรในสมัยก่อนศาสนาอยู่มาถึงเราเนี่ยเขาพัฒนาคนขอเราเลือกให้ฟังนิดหนึ่งว่าในสมัยพุทธเจ้าบรินิพานไปแล้วเนี่ยพอถึงยุคหลังๆเนี่ยอย่างสังคายนาครั้งที่สามเขาต้องแฟ้นหาตัวบุคคลมาต่อสู้กับพญามานมานที่จะมาทำลายศาสนาก็เลยได้พระอุปคุต ที่เราเชิญุปคุตโอกาสาโอกาสาพุงขาทั้งหลายภายในมีประทรงเป็นเข่าายนอกมีออกตอนเป็นประธานภาการจารเครื่องสักดิ์ลาบูชาการมากะไว้แก่พรญไทยอุปคุเตเถรรัตนนี่ลิทีวิเศษเทวมีตรปาร์ตาแก้วกุดีกัรหน้าที่แม่นำย้า่มาใครในพ ม, มาจารี ย, ยุสุขสีพระโต๊ะโต๊ะบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเชิญอุปคุต ม, มันมันมีเรื่องราวนั่นคือบุคคลที่เขาเลือกสรรมาต่อสู้กับพญามานสร้างคนแล้วช่วงของพญามิรินทหารในฟังเรื่องพญามิรินเนี่ย ท่านจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาสร้างคนขนาดไหนมารักษาศาสนาพยามิลิมุกเก่งพอๆพอกับยุคสันติอโศกรูปปาสเสองอย่างท่านพระธิดลความรูปปาสเสองว้ายพระสำํำแดงเสือหนึ่งเสือไปใกล้เราได้บอกเรากระตุยว่าทะเชียบคอมสายฟ้าพระเจ้ามิลินพยามิลินเก่งกวนี้เก่งกว่าพรักนี้จนวัดห้างไปสิบสองปีพญานไปใส่รกซอลรด ตอกงต้อนหน้าต้อนหลังศาสนาอื่นพวกลัทธิของปูรณะกสปมคคาิโคลาตสิสเกสกรรมผลนิคน้าทบุสันชัยเวรทะบุปกุทกาจะหนีเข้าป่ายานขบริวานบรต้องจำก็ได้หรอกหลายพจน์ถูกบอามานี่ก็ได้หลังจากนั้นพระสง์ในศาสนาเราเนี่ก็สู้ไม่ได้ข่านเถียงไยสู่เราบุได้แล้วันลจงสั่นแล้วพัดรวยองค์นี้ปที่พัดลอยอ่าเจสิลวยออกห่างๆกูรูพระอริยะเจ้าท่านขี่ขานเถียงท่านมมีอัตราที่จะเสียงกับคนมัน ผู้ศรีหนยะนั่ น, น, น, นก็ห้างคนาแล้ววัดหนีหนาะยามพญามิลิมสอบไปเห็นหนาเรนหาถามรถในที่สวนห้างไปนี่ประชุมกันได้บ้างไหมขัว้วพระอรหันว่าเออถ้าพวกเรามามัวกลัวปุถุชนที่เก่งกาจอย่างเนี้ใครจะรักษา ศ, าศาสนานี้ต่อไปมันก็เละเท่านั้นต่อไปนี้ก็หมดศ า, ศาสนานไว้วเอาเถอะพวกเรามารวมกันเมียประชุมที่ถ้ำลักขิตะเลนนะพระอัศคุณพระอรหัน์พูดเถ้า เรียกประชุมในตํานานของมิลินทะนั่นเรียกประชุมพระอรหันต์เต็มในถ้ำตั้งสี่ร้อยห้าร้อยเป็นพันมีเท่าไหร่เรียกมามดเอาเราทั้งหลายใครมีสติปัญญาเก่งกล้าพอที่จะปะทะคารอมโต้วาทีก็พระพยามีลินป่าให้ลงสติมิจฉะนั้นเราจูงกันไม่ได้นะนักบวชสมณพามหวาดกลัวไปหมดไปใส่เราไล่ขานี้สัมสู่เราไปเลยปรากฏ ว, ว่าพระอรหรันต์ซ้ำหัว เพราะผมมัเถียงดอกว่าสันยงยงพระอริยเจา้ามันเถียงกับปุถุชนไม่ไหวปุถุชนมันเถียงเอาแพ้เอาช น, นะคนนึงเถียงเอาความถูกความต้องเถียงไปเทียงมันสู่มันว่ไอะไรกี่ขันเราไม่มีอัตตาที่จะไปเถียงขนาดนั้นเลิกสามวันประชุมกันยังไม่มีใครเอาในที่สุดก็เลยถามมาในที่ประชุมนี่หมดหรยอย่างมัดระเบิดเที่เที่ที่มานเนี่ยมัดสองคระเบิดเนี่ยมดแล้วสัน มีอมหนึงลูกขึนนั่งอยู่ในนี้วะฉันยังมีอมหนึ่งที่ผูให้คู่พันสมมุตินะองนั้นไม่มาครับชื่อพระโลหนะท่านนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติสบายรับหูรับตาเป็นนิยมผงกับขนโบ้หัวซามือว่าฉันโอ้โหประดี๋ยวประเดี๋ยว ด, ด้เป็นความเป็นความตายของศาสนาต้องไปเอามาพระกาไปตามมาเพื่อ่งยังอาจจะมานี่อยู่ป่าอยู่เขาเวลาได้ห่างการคณะสงฆ์เรียม ไปกลางค่ำกลางคืนก็ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าทันวางครูกาสังคสะอานาอำมาจสงเป็นใหญ่ถ้าเหตุการ์บ้านเมืองศาสนาจะล่มจะจมต้องรวมกันต้องช่วยกันท่านออกนี้ไม่มาก็เลยให้พระไปตามไปตามมาแหละก็ถามว่าเป็นอย่างเด จ, จังพอมาบ้านเมืองจะล่มจะจมศาสนาโทเกือดเดือดด้วยลทัทธิอื่นๆมามากแล้วเนี่ยท่านทําไมไม่มาช่วยกันคิดโอ้ยว่าฉันผมเป็นพระผู้น้อยไม่ใช่เทระเป็นเทระ ผมไม่มีความรู้ความสามารถผมก่อคงช่วยอะไรไม่ได้ผมคิดว่าพระเทสะทั้งหลายประชุมกันคงช่วยกันได้ยังเก่งก็ให้ผมตักน้ําให้บูกินได้ย่อนอยู่ดอกปัดตาดกวดอยู่นี่ได้ยุบวะท่านได้ยุบได้ก็ต้องมาสรอยกันแหมมาออกความคิดช่วยกันว่ะท่านในเมื่อท่านไม่มาทำยังไงโวทเสียงคณะสงฆ์ทำยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลงโทษได้แม้แต่พระอรหันต์ก็เลยบอกลงโทษผมให้รับผิด ช, ชอบป่าพญามิริน ปาดท่อออบอกเป็นตะอุกจะอ่งทางท่วงแท้อุกอ่งเอกาให้ผมปาบจังเลยในที่สุดก็ประชุมกันมาผมไม่มีปัญญาไม่มีความรู้พระทั้งหลายก็ประชุมกันถ้าเราไม่มีเราต้องสร้างคนนี่เหมือนท่านอาจารย์มหานี้ท่กำลังสร้างคนยังอารามก็สร้างคนใครไปวัดอาดมาไม่เห็นแม้แต่ตู้บริจาคนี้ยังที่สร้างคนอยากบริจาคคนรับบริจาคครูเรศีเอาลูกไปบวชหัวดีดผมบ่ิจาคไปได้ ขันหัวดีๆ่นจะไปบริจาคไปเป็นแพทย์ได้บัลหลาไงมาไปเป็นแพทย์วะสันหัวดีๆไปเป็นตำรวจเว้วาสันหนังรถดีๆไปเป็นทหารไปเป็นนักบินมีบอหัวดีๆไว่อยากไปบวชน้ำาราจา์สมภพได้ปฏิบัติธรรมจะมาทิพวนารักษาภาษาตนาซอยเพิ่นบะเพื่อดมกาวแล้วะเป็นบ้าปั๊มปั๊มเปอะเปอบ์เต็มบาทแล้วเฮ้ยเอาไปให้ผู้ขาดในท้ออันวะสันวันนั้นเป็นเทศที่อุดร เทพเจ้ามากาเป็นสจเป็นเจ้าของรถบานเป็นเจ้าของฟาร์มโครมมากาผมยกไปส่งอาจารย์ที่วัดไปส่งยงเฝากลูกชายไปอยู่น้อยู่ใส ล, ลูกส่งไปเรียนโรงเรียนฝรั่งเดละาืครับมันเสียแล้วโยด ง, งดงกาติทนเนอร์เฮลิอินกับโมลูดีๆ่มีบ่าูดีๆเอามาฝากนี่นอาตมาถามอันอมาาไม่ไแตแล้วผลจงมาให้ไม่บยอาตมาก็ยังมักยากดูเดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยคิดกันอย่างนี้ที่นี่ ก็เลยพระอลาหันบอดต้องสร้างคนสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาป่าพยานาคเรนนี้เอาสอยกันนี่พวกท่านทนั้งหลายสาธุชนชาวพุทธสมาคมสมาชิกพุทธสมาคมสกลนอครทั้งปกเรากําลังรวมกันสร้างคนช่วยกันสร้างคนสร้างให้วัดแห่งนี้มีสถานการศึกษาและให้มีทุนในการศึกษาความเป็นอยู่ของท่านพอไปได้แต่อย่าหยุดเพียงแค่นี้อยากจะสร้างให้ไปเป็นนักปฏิบัติบ้บงอย่ามีแต่นักเรียน มี่ต่เรียนๆส่วนมากเรียนเนี่ยมันเรียนเรียนเรียนเรียนตั้งเรียนออกไปเรียนออกไปหลดห้างออกไปมันหลายเรียนโคดเรียนหด้อยอันโคตรายแถวอยู่คนเขาเรียนเข้ามาจากสี่จังสี่จสีใกล้เข้ามาใครเนี่ส่วนมากนะนะมันมักจะเป็นอย่างนั้นอยากจะให้ส่งไปเป็นนักปฏิบัติบ้างดีๆกัดแขวกัดฟันบูชาพระพุทธเจ้าในกระเถิดที่า้พ่ออรหันต์ก็เลยตกลงสร้างคนสร้างคนต่างจังไวัต้องลงโทษท่านองค์นี้แหละ สั่งกันเลผมเถ้าห้อมจะตายเหรอวะฉันท่านเลยบอกว่าพระอสุขผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เถ่าบอกว่าในบ้านนี้ปั่นลงมาไฟนี่พูด ง, ง่ายๆสมมติในบ้านลงมาไฟนี่ยมีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อน่าขาเษนหัวมีขนาดไอคิวในสมองสูงจิ้มได้ไหมคุณเนี่แต่ว่าพ่อแม่มันไม่ได้ถือศาสนาพุทธมันถือศาสนาอื่นคันซีไฮดี เฮตังได้เสดาเด็กน้อยผู้นี้มาบวชเอาคนหัวดีจนสิเอามาบวชให้มันเรียนเก่งๆหน้ามันปฏิบัตินี่ช่วยฟังให้ดีเรากําลังพูดกําลังเข้าอยู่ในลักษณะแบบท่านอาจารย์มหาวิทยาลัลังสร้างเด็กหัวดีอยู่เนี่ยต้องให้มันเรียนก่อนแล้วปฏิบัติในที่สุดบอกไปเอาเด็กน้อยผู้นี้ไปเฮ็ตังได้แล้วพ่อแม่มันบ่อ น, นำถือศาสนาพุทธต้องให้พ้าโลหะที่ถูกลงโทษนี่เจ้าไปเวียนเอาให้ได้ขันเอาเด็กน้อยผู้นี้มาบวชได้จึงสิบวัตคอดที่เจ้าบรมประชุมน้ําโม ตาก่อนว่าท่านไปอยู่ทุกวันไปดินธบัตไปห้องกับไปยืนเจนเทนเทอนดูเงอนหลังนั้นแหละเ <c oughs> ขาบอนักพืชศาสนาพูดกับไปยืนเ <c oughs> ขาบอใส่บาตรให้จักเถือนเจ็ด <c oughs> ปีก็สิบเดือนต้องไปยืนมหันคร่ลกเ่อใส่บาตรทางกระยาไปยืนจักซิกนาทีนไงเขาบอกน้ำกระตมัมคุณเห็นบอกความพยายามของท่านของพระอรหันต์ทั้งหลาย ทาริยชเจ้าทั้งหลายพยายามที่จะเอาคนมาสร้างและมีคุณภาพในศาสนาเจ็ดปีกับสิบเดือนเด็กคนนี้ไปเรียนไต่เพศของาพามจนจบหัวดีมากจนไม่มีอาจารย์สอนแล้วทีนี้พอเจ็ดปีกับสิบเดือนมือ น, นั่นหัวก็มีพิษกันในกะเส่าใจบอกว่าดีลงจากเ ง, าางินยางเติมตึงตึ ง, ต ง, ตงมาเห็นพระยืนทะเลาะยืนสง้อปูนบามันเห็นอยู่มือนนะี่ยเจ็ดปีจนสิบเดือนให้ไอ้ห น, น้าบหัว่ล้นวันฉัน มึงมายูนที่นี่ทําไมมึงได้อะไรทีนี่ไปเอาเปรี้ยหิบใช้หัวไปให้พ่้นพระกันก็ยิ้มแล้วห่างก็เดินไปบินทบาทไปให้อื่นบัคคาก็มาขนาดว่ายืนอีกยืนอีกไอหมอนี่มันให้ให้ให้พระแล้วมันระบายทรามันก็ไปทํางานมันก็กลับมาพ่ออีกมูงยืนที่ทําไมที่นี่ป่าลาเนี่ยบอกให้ไปหัวไปให้พ้นมึงได้อะไรมึงมาที่นี่ พรองนี้ทั้งกะยิ้มพระโลหะใหนบ่ว่าเจริญพรโยมอาจจะมาได้นิดหน่อยวท่านเพราะเ่มันมีกุศิบาศให้เราบอกว่าสันบาศนีกเปิ้ที่เพื่อนเไปตึ้งต้งพระทังกะเดินไปเลยเคลืนไปดาเมียเต่งเต่งกุศนมึงใสบาศโอมนี่วะท่นพุทธิบอกมึงใสวะท่านเมียก็เลยบอกเอันหยังบานกคือเป็นยกมันมาบแกกันกันะมึงจะมาหาเาว่ามึงใสบาให้ยังว่นเพราะเขาไม่ได้ถือสศาสนาพุทธ เลยทะเลาะ ก, กันหัวกับเมียก่าจะรู้เรื่องได้น่าดําตาแดงเกือบจะวางมวยกับจะเอาเมียให้กระสอบสายแล้วเมียบอว่าไข่โบเดซายไข่ ย, ขยบเดซายเห็นยู่ที่นี่ไข่อยตาย้าผ้าหากเลยลงแดงหัวก็เลยวางใจว่าแปพระีตัวให้พิสกันนั่นแล้วบาทนี้